ภภูมิใจเสนอเล่านิทานเซนสำหรับการดำเนินชีวิตใหม่ในโลกใบเก่าได้มีสหายทางธรรมผู้หนึ่งเสนอความคิดที่เข้าทีในทำนองถามว่า ถ้ามีคนสนใจใหม่ๆจะเริ่มศึกษาพุทธศาสนาอย่างเซนนิกายฉับพลันท่านจะแนะนำให้เขาศึกษาเรื่องอะไรก่อนเรื่องนี้ถ้าให้ข้าพเจ้าตอบอย่างตรงกับใจจริงก็ต้องตอบว่าไม่มีอะไรที่จะให้ผู้นั้นศึกษาตอบเช่นนี้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นการเล่นลิ้นเพราะมีบ่อยๆที่คนตอบ ตอบซื่ อ, อคนฟังก็มักคิดซับซ้อนยักย้อนฟังเป็นว่าคนตอบตอบอย่างมีเหลี่ยมพลายในคำพูดบางคนถึงกับเข้าใจไปว่าผู้พูดต้องการพูดให้เป็นเรื่องลึกซึ้งเพื่อให้คนธรรมดาฟังไม่เข้าใจที่ตอบนั้นเป็นความจริงคือมันอยู่ที่คนสนใจใหม่ หลายนั้นจะใหม่แค่ไหนถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วคนเราทุกคนย่อมมีหลักเกณฑ์ในใจมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งศึกษาเรียนรู้เป็นแนวของตัวมาแล้วมีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วไม่ว่าจะมาเริ่มสนใจศึกษาเอาบัตรนี้หรือเมื่อไหร่ล้วนกล่าวได้ว่าไม่ใช่มีใจที่ว่างเปล่ามา ถ้าหม่เอี่ยมอ่องมาได้อย่างพูดจริงๆมันก็ง่ายนิดเดียวเบาแรงอาจารย์ด้วยคือเพียงบอกว่าเออดีแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอยู่นิ่งๆก็แล้วกันแต่พฤติการแท้จริงชีวิตคนเราย่อมมีอะไรหมักหมมมาตลอดสายแห่งการเรียนรู้ในชีวิต ย่อมสร้างอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นของตนเองมามากและเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆตามการเวลาและตามระดับการศึกษาฉะนั้นอาจารย์เซนโบราณโดยเฉพาะที่เห็นชัดๆคือท่านครูบาหงโปจึงใช้วิธีให้สิบ์แสดงให้รู้ก่อนว่าสิบ์เข้าใจเรื่องทั้งหลายว่าอย่างไร แล้วอาจารย์ก็เพียงตอบว่าแม้อย่างนั้นก็ต้องละคืออาจารย์มีหน้าที่เพียงเปลื้องปลดความที่สิบเที่ยวกอดติกเรื่องนั้นเรื่องนี้นุนนมนางทุกกรณีไปความข้อนี้ถ้าท่านผู้ฟังกลับไปอ่านหนังสือฮวงโปโดยสังเกตลูกไม้อย่างที่ข้าพเจ้าว่านี้จะเห็นว่า ทั้งเล่มเลยหวงโปมีแต่ปฏิเสธไม่ให้ยึดถือที่สิทเพียนตั้งแน่ถามอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างข้าพเจ้าสนใจนานๆและเคยลองตรวจความคิดของฝรั่งที่เฮโลปักใจนขนควาพุทธศาสนาอย่างเซนแล้วมีบางคนขยันเขียนเขียนเขียนเขีย น, เ, ยนเพื่อนแน่ให้เพื่อนฝรั่งด้วยกัน เริ่มศึกษาข้าพเจ้ายังไม่คัดคานแต่ก็ไม่อนุโมทนาได้แต่คิดว่าในเมืองไทยเราเราควรเปิดสักการะกันด้วยการเล่านิทานของเซนแม้ว่านิทานนั้นนั้นไม่ได้แนะไว้แม้แต่นิดว่าให้ปฏิบัติอย่างไรเพียงกล่าวเป็นเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่าผู้นั้นผู้นี้ครั้งหนึ่ง ได้เกิดเป็นโรคกล่าวคือปัญหาชีวิตที่ไปติดตันอยู่แค่นั้นแล้วบทบาทของอาจารย์เซนองค์เก่งๆได้บำบัดด้วยลวดลายอย่างไรซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ย่อมรู้ว่านั่นมันมาใช้กับปัญหาของเราแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้แต่เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเก็บมาเล่าทีละเรื่องสองเรื่องนี้ มันทําให้เรารู้ว่าอะไรคือเซนเมื่อรู้โฉมหน้าว่าสิ่งที่เรียกว่าเซนนั้นมันเป็นทํานองไหนแล้วขั้นต่อไปมันก็รู้ได้เองว่านิกายทยานะหรือเซนนี้มันแทรกมาโผล่ให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเพียงไรแทนที่จะเรียนรู้พุทธศาสนาอย่างของเราฝ่ายเดียว ข้าพระเจ้าจะพยายามรวบรวมนิทานที่เกิดขึ้นจริงๆในครั้งโบราณประเทศจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างและบางทีจะเปรียบเทียบเรื่องขันขำเกี่ยวกับเถระเมืองไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนที่ทําอะไรเป็นปริศนาปริศนาไว้เป็นทํานองเกร็บเรื่องเก่าเล่าสื้อกันมาบ้างถ้าเป็นข้อหน้าคิด ข้าพระเจ้าก็จะนำให้ขบคิดดูเผื่อท่านจะทราบอะไรได้ลึกมากๆไปในทํานองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องที่หนึ่งบุรุษใจสิง ตามแบบของเซนเท่าที่ได้พงนิทานเซนมามากก็เห็นนิทานนี้แหละที่มีท้องเรื่องเหมือนหรือทำนองเดียวกับนิทานในอัทธกถาธรรมบทของฝ่ายเทรวาดเราแต่ตอนจบจบลงพิเศษยิ่งไปกว่า คือคล้ายจะชี้ทางออกให้แก่ชีวิตว่าคนเราทุกคนหากไ ฟ, ฟ่ฝ้าในดวงตาเมาบางแล้วจะมองเห็นว่าคนทั้งโลกนี้เป็นคนคนเดียวกันต่อจากนั้นการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมมันเกิดขึ้นเองอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องยังมีหนุ่มน้อยหน้ามุ่นคนหนึ่ง ชื่อสินกายเป็นผู้สืบเชื้อสายของซามูไรแต่ไปได้กำเนิดอยู่ในถิ่นบ้านนอกพออายุรุ่นกระทงขึ้นมาก็มีการปรารพที่จะเข้าไปหาความก้าวหน้าในกลุ่มฉะนั้นพ่อแม่จึงส่งเข้าไปพำนักอาศัยอยู่กับท่านขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มเอโดก็คือโตเกียวของญี่ปุ่นสมัยนั้น ในฐานะเป็นเด็กรับใช้อยู่ในเคหะอันโอ้อ่าต่อมาเนื่องจากหนุ่มศีนกายเป็นเด็กหน้าตาหมดจดมีหน่วยก้านดีทํางานอะไรก็ได้อย่างใจของเจ้านายเพราะมีพื้นความเฉลียวฉลาดว่องไวจึงได้รับเลือกเข้ารับใช้ใกล้ชิดประจําตัวท่านขุนนางผู้นั้นอยู่มาไม่นานคุณ น, นายภรรยาของขุนนางคนนั้น จิตใจไม่ดีคิดวกลงต่าจึงใช้เด็กคู่ใกล้ชิดคนนี้ให้บำบัดความต้องการเด็กหนุ่มของเราก็เลยได้กระทําความผิดพลาดในชีวิตเสียตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวโดยไม่มีฐานหลีกเลี่ยงได้ลอบกระทําชู้ร่วมกันมาจนคืนหนึ่งท่านขุนนางูนนั้นจับได้ท่านขุนา น, น, น, า น, ขนางได้กระชากดาบซามูไร ที่แขวนไขว้อยอยู่ที่ฝาหมายจะสังหารเด็กซีนก่ายทันทีแต่ด้วยอารามที่ท่านโกรธจัดย่อมทำไปด้วยอาการสุดแรงเกิดเวียงซ้ายป่ายขวาเด็กซีนกายเห็นจวนตัวก็เอาเก้าอี้เอาทุกสิ่งที่ใกล้ป้องปัดรับดาบไว้พลางถอยรอบๆอบห้องไปพลางใกล้ๆจะหมดขนทางอยู่แล้ว ก็พอดีคุณนายผู้เป็นตัวการนั่นเองได้คิดตัดสินใจว่าไหนๆเขาก็จับการเล่นชูได้เราก็ไม่อาจจะครองความเป็นใหญ่ต่อไปอีกได้จึงคิดเลือกเอาข้างผัวหนุ่มไว้ก่อนค่อยไปตายเอาดาบต้าจึงรีบไปชักดาบที่แขวนข้างฝาอีกเล่มหนึ่งมาแทงคุณนาย ทันเวลาช่วยชีวิตให้หนุ่มหน้ามนได้อยู่ฟันฝ่าชีวิตต่อไปอีกเมื่อเห็นท่านคุณนางตายแล้วคุณ น, นายก็ออกคำสั่งให้เด็กศีลกายรีบรุดหนีออกจากบ้านไปพร้อมกันในตอนดึกคืนนั้นเองหลังจากผ่านชากชีวิตที่น่านหวดเสียวเหมือนดังฝัน เพราะอะไรอะไรมันช่างเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเด็กนุมซีนก่ายซึ่งก่อนหน้านี้หมายมั่นจะมาสร้างความเจริญก้าวหน้าแต่บัดนี้ได้มาอยู่ในฐานะสามีของคุณนายเสียทันทีแต่ก็ต้องอยู่กันอย่างแอบแฝงหลบลี้หนีหน้าในแหล่งที่ไม่มีใครจะตามพบที่แรกแรกก็พอจะมีอะไรอะไร แลกเปลี่ยนซื้ออาหารการกินบ้างแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรจะจับจ่ายจะไปทำงานทำการก็ไม่สามารถแสดงตัวต่อสังคมได้ต้องจำใจเลือกเอาข้างลักขโมยเขากินแม้แต่ตัดช่องย่องเบาเอาทั้งนั้นตอนต้นก็นึกว่าพอทนทำไปได้เพราะเห็นแก่ความสุข ในการได้เป็นผัวเป็นเมียกันใหม่ๆทีนี้พออยู่ๆกันไปหนุ่มซีนกายถึงคราวจะหมดกรรมหมดเวรได้เกิดมีความคิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนี้ช่างเป็นไปเปลี่ยนไปเพราะผลของความคิดนี้เองและความคิดนี้ มันก็ชัางขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นขณะนั้นเสียเหลือเกินจนไม่อาจจะกระดิกกระเดี่ยขอผัดผ่อนไม่ให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้คนทุกคนจะดีจะชั่วมันก็อยู่ตรงนี้เองแม้จะตั้งปรารถนา ด, ดีมาตั้งแต่บ้านว่าจะเข้ากรุง เพื่อหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมาแล้วแม้คนอื่นที่เขาอยากเจริญก้าวหน้าต่างก็ปรารถและทำอย่างเดียวกันแต่เหตุชะไหนาบางคนจึงสามารถไต่เต้าทำไปได้จนถึงที่หมายแต่บางคนไปไม่ถึงที่หมายข้อนี้มันก็เพราะมนุษย์เรา ทนต่อสิ่งมายั่วเฉพาะหน้านี้ไม่ได้นั่นเองความคิดจึงเปลี่ยนรูปวิถีชีวิตก็จําต้องแปรผันไปตามเมื่อได้คิดอย่างนั้นแล้วหนุ่มซีนกายก็หวนมาดูภรรยาตนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นคุณนายที่สูงสักแต่เพราะเธอไม่มีความรู้เรื่องความคิดเธอจึงถูกความคิดหลอกเอา และตัวเราเองก็เพราะเจอเอาสิ่งที่มาพบเห็นเข้าแล้วทนไม่ได้ความคิดมันก็เปลี่ยนไปปรับปรับชนิดที่เจ้าตัวเองไม่มีวันจะควบคุมหรือชักบังเหียนให้คืนหลังได้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามช่างตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เสียจริงๆสุดที่จะแหวกหนี ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไปได้จะมีทางเดียวก็แต่จัดให้ตัวเองไปได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยไม่ให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นซึ่งบางทียังจะพอควบคุมทากับตัวของตัวใดบางแล้วสายแห่งความคิดที่ไหลมาให้คิดให้รู้อยู่นี้มันก็จะเบนวิถีไปในทางที่ปลอดภัย หนุ่มซีนกายคิดเรื่องนี้ทบทวนอย่างหนักทำอย่างไรหนอคนเรานี้จะควบคุมให้ความคิดเป็นไปอย่างถูกต้องและคงเส้นคงวาอยู่ในแนวที่ถูกต้องถ้าปล่อยให้สิ่งแวดล้อมรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาจ่อถึงตัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีวันจะควบคุมสายความคิดนี้ได้ จะต้องยักย้ายให้ตัวเองได้ที่แวดล้อมชนิดทำให้ตั้งตัวได้เสียก่อนฉะนั้นหนุ่มสิมก่กกายจึงคิดบริจาคคุณนายผู้ภรรยาของตัวโดยตัวเองกลับเป็นฝ่ายหนีไปเสียให้ห่างคิดดังนั้นก็หลบหนีทิ้งภรรยาเดินทางจากไปเสียให้สุดล่าฟ้าเขียว สู่อำเภอบ้านนอกแห่งหนึ่งในจังหวัดบูเซนหัวเมืองทางฝ่ายใต้ณที่นั้นหนุ่มซีมกายได้เข้าอาศัยวัดแห่งหนึ่งอยู่เป็นลูกศรริษย์พระไม่นานก็ขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งในศาสนาที่เขาสนใจใหม่นี้เองหนุ่มซีมกายได้พบว่า คำสอนพุทธศาสดามีแต่ว่าด้วยเรื่องที่เขากำลังชงนสนเทศอยู่ทีเดียวคือในปัญหาข้อที่ว่าทำอย่างไรคนเราจะอยู่อย่างชนะภัยอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสได้และควบคุมจิตใจไม่ให้เป็นไปตามความต้องการฝ่ายต่ำ ที่มีประจําอยู่เองแล้วในใจเมื่อมาได้ความเป็นตัวของตัวได้ในบวรพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้หวนไปถึงเมื่อครั้งที่ตนยังซัดเซในสังสารสาขรแต่อดีตภิษุนุ่มศีนกายจึงปรารพจะชดใช้ความกระดังกระด่างในชีวิตอดีตด้วยสำนึกบาป ทาย t h o ด้วยกรรมดีกรรมที่มีประโยชน์จวบเท่าชีวิตนี้จะหาไม่ในถิ่นที่ท่านบวชอยู่นั้นชาวบ้านชาวช่องอยากจนข้นแขนเป็นอำเภอเล็กๆไปมาติดต่อกับตัวจังหวัดเพียงทางเท้าเล็กๆที่ต้องค่อยเดินเรียงหนึ่งเลียบหินผาของภูเขาสูงซึ่งกลางกั้นกิ่งอำเภอกับตัวจังหวัด ถ้าวันไหนฝนตกฟ้าร้องหิมะตกหรือลมแรงก็ไปมาไม่ได้และท่านยังได้ทราบว่าแต่ละปีมีเสมอที่คนข้ามเขาได้พลัดลื่นหล่นจากชะ ง, ง่อนผาสูงลงไปตายเสียมากต่อมากสุดที่จะมีใครคิดแก้ไขประการใดหากใครอยู่ทางกินอำเภอหลังเขานี้แล้ว ก็เป็นอันแน่ว่าจะต้องอดอยากลำเค็นแม้จะมีเงินก็ไม่มีค่าชาวบ้านโดยมากยากจนไม่อาจพาะปลูกอะไรเพื่อเอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายในเมืองได้เพราะนำไปนำมาไม่ได้มากแม้มีใครเจ็บป่วยลงไม่พอที่จะตายก็ต้องปล่อยให้ตายไปเพราะไม่สามารถจะพากันหามคนไข้คนเจ็บ ไตไหลหินข้ามมายัางโตจังหวัดได้ภิกษุหนุ่มมานั่งคํานึงถึงทุกยากของคนหมู่มากเห็นความเป็นไปของมนุษย์ด้วยกันที่แม้แต่จะอยู่ไม่ห่างกันนักแค่เขากั้นเท่านั้นก็ยังแตกต่างยากไร้กว่ากันมากเห็นป่านนี้ท่านเห็นว่า จะปล่อยให้ไม่มีทางแก้เช่นนี้อยู่เรื่อยไปย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่เองมีทางเดียวคือเจาะอุโมงคลอดภูเขาใหญ่เอาดือด้อเพราะไม่มีทางอื่นใดอีกแล้วครั้นจะพูดเรื่องนี้กับใครก็คงไม่มีใครเขาเห็นด้วยความคิดอย่างนี้มันคิดได้แต่ใครจะทําฉะนั้น ภิกษุหนุ่มของเราจึงตัดสินใจเริ่มสกัดหินเริ่มงานมันคนเดียวโดยไม่คำนึงว่าภูเขาที่เขาไปนั่งสกัดทีละสะเก็ดทีละสะเก็ดอยู่นั้นมันตระหนั่สูงคำฟ้าเพียงไรท่านภิกษุศีนกายใช้เวลาตอนเช้าออกบิทบาทเวลานอกนั้น อุทิศให้แก่หินที่ภูเขานั้นทั้งหมดเมื่อมันเหนื่อยก็พักเสียมีเรี้ยวแรงคืนมาก็ทาต่อเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะค่าจะมืดนานๆนนจะมีคนเดินผ่านมาทางนั้นคนพวกนั้นก็ได้แต่หัวเราะถามว่าท่านจะสร้างถ้าหรือจะสร้างวัดแล้วต่างก็มองตากันอย่างไม่ไว้ใจ ว่าท่านองค์นี้สติยังบริบูรณ์อยู่หรือดูไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าท่านทำเพราะทําตามภะษาที่ไม่มีอะไรจะทานั่นเองวันเวลาได้ผ่านไปนานถึงสามสิบปีภิกษุองค์หนึ่งเคยนั่งสกัดหินมาตั้งแต่ยังหนงุ่มบัดนี้ก็ยังคงนั่งสกัดเอาสกัดเอา ไม่ลดละแม้ท่านจะมีอายุห้าสิบแล้วร่างกายของท่านก็ยังรับใช้จิตใจที่บึกบึนแข็งกว่าหินได้เป็นอย่างดีไม่มีใครทราบหรอกว่าท่านเอาน้ำอดน้าทนมาจากไหนเอาเรี่ยวแรงเอากำลังใจมาจากไหนนอกจากตัวท่านเองเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้จึงทำให้จังหวัดบูเซน ที่ท่านเลือกเอาเป็นถิ่นปฏิบัติธรรมของท่านได้มีอุโมงค์เจาะลอดภูเขาใหญ่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างกิ่งอำเภอที่ครั้งหนึ่งแสนจัตุรกันดานให้เปิดมาสู่ความเจริญในเมืองได้ในปัจจุบันนี้แม้ใครไปญี่ปุ่นไปเมืองบูเซ็นก็ยังจะพบอุโมงค์อันมีประวัติ ที่เจาะด้วยแรงคนและเป็นแรงคนที่เกิดจากพลังธรรมะในพุทธศาสนาอุโมงค์นี้สมัยแรกมีแนวคดไม่เกลี้ยงเกลาอยู่บ้างบัดนี้เป็นอุโมงค์ที่มีขนาดกว้าง30ฟุตสูง20ฟุตทะลุภูเขายาว 2,280 ฟุตค่อนๆไปเกือบ1กิโลเมตร หรือครึ่งครึ่งทำขุนตาลของไทยเราเรื่องมีเล่าต่อออกไปอีกหน่อยว่าก่อนที่อุโมงค์จะสำเร็จใช้เดินถึงกันได้สักสองปีนั้นได้มีชายคนหนึ่งซอกซอนมาจากเมืองกรุงปรากฏภายหลังว่าเป็นบุตรชายของท่านขุนานางเจ้านายเก่าที่ตายไปชายหนุ่มคนนี้ ขณะบิดาถูกฆ่าเขาอย่างเล็กๆอยู่พอโตขึ้นก็ผูกใจเจ็บเที่ยวถามติดตามมาหลายปีพร้อมกับหัดเป็นนักดาบมาอย่างช่ำชองพอแน่แล้วก็จะเข้าเอาชีวิตเพื่อล้างแค้นแต่ยังมีติดขัดอยู่ว่ามาเห็นคนฆ่าพ่อของเขาบัดนี้อยู่ในแบบฟอร์มพระภิกษุแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการฆ่าผิดตัวจึงถามเอาตรงๆเพราะท่านซีนกายถูกถามเช่นนั้นก็รับว่าเป็นนายซีนกายที่เขาต้องการพบและต้องการฆ่าท่านไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างไรแต่พูดจาชี้แจงให้ชายหนุ่มคนนั้นฟังว่าท่านกำลังทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากหลาย และจะสำเร็จอยู่แล้วขอพรผันให้ท่านได้สกัดหินต่อไปเท่าที่ชายหนุ่มนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าเหลือเพียงเล็กน้อยเมื่อเสร็จในวันใดท่านยอมใช้กรัรมให้ตัดศรีรษะในวันนั้นทีเดียวชายหนุ่มคนนั้นก็ตกลงเพราะมองเห็นจริงๆว่าถ้าท่านไม่ทำต่องานชิ้นสำคัญต่อสังคมส่วนใหญ่นี้ จะเป็นอันยกเลิกไปเสียทีแรกหนุ่มชาวกลุ่มก็ยังไม่วางใจนักว่าคนที่เคยฆ่าพ่อของตนจะไม่ให้เป็นคนรอบทำร้ายตนก่อนต้องเ็บดาบและมีดระแวกระวังตัวแจอยู่และคอยเวียนไปที่อุโมงนั้นเสมอเสมอเพื่อจะรู้ว่าท่านชิงหนีไปเสียที่ไหนหรือท่านจะคอยถ่วงเวลาสกัดช้ า, ชา ให้เวลาเนิ่นนานไปเมื่อมีการไปพบหลายหนหลายครั้งและเคยยืนดูท่านกําลังทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ลดละทั้งคืนทั้งวันก็ทำให้รู้สึกแปลกประหลาดงานเข้าก็มีการปรารภชวนท่านคุยและถามนั่นถามนี่เป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือน หินของภูเขาก็ถูกสกัดกร่อนบางไปเรื่อยๆหนุ่มลูกชายของท่านขุนนางเมื่อยืนเฝ้าดูจนเมื่อยแล้วก็เริ่มนั่งคุยการได้สังสนทนากันจึงเป็นที่แน่ใจว่าท่านรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆว่าอย่างไรเมื่ออยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไร ก็อลองสกัดหินช่วยท่านศีลกายไปพลางเรื่องเลยกลายเป็นได้ร่วมงานร่วมกินร่วมนอนด้วยกันในอุโมงนั้นเองในที่สุดก็กลายเป็นผู้ช่วยที่รู้จักทำงานโดยตั้งจิตไว้ในธรรมปฏิบัติตามแบบที่ท่านศีลกายแนะให้ทำไปทำไปได้โดยไม่หยุดยั้งเหมือนกัน จนกระทั่งวันเวลาผ่านไปกว่าขวบปียังไม่รู้สึกว่านานตลอดเวลาชายหนุ่มได้เรียนลอกแบบเอาคุณธรรมที่ตนได้เห็นได้ค้นพบที่เนื้อที่ตัวของท่านศีลกายนั่นเองว่าท่านองค์นี้ช่างเต็มไปด้วยบุคลิกภาพพิเศษและความเป็นผู้มีใจสิงหรือเกิน ในที่สุดอุโมงลอดภูเขาใหญ่ก็สำเร็จลุล่วงผู้คนพากันมาดูและได้ใช้เป็นหนทางติดต่อกับตัวเมืองไม่ได้รับความยากลำบาก ท, ที่จะต้องตายไปตามไหลหินชันอีกต่อไปพอเสร็จในวันนั้นท่านศีลกายก็เหลียวมายัางชายหนุม่มที่ยืนอยู่ข้างหลังกำลังมองดูความสำเร็จ ที่ตนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยท่านได้พูดขึ้นว่าเราตัดภูเขาแท่งทึบเชื่อมให้คนติดต่อถึงกันได้แล้วทีนี้ก็ถึงตอนที่คอที่ต่อศีรษะติดกับร่างของฉันได้เวลาขาดออกจากกันตามสัญญาแล้ว พูดแล้วกอ น, น้อมกายยื่นไปให้ชายหนุ่มลูกศิษย์ฉเฉลยศักดิ์ของท่านโดยดีชายหนุ่ม น, น้ำตานองหน้าสุดตัวลงคุกเขา่ามือทั้งสองพนมไหว้พลางกล่าวว่าหลวงพ่อจะให้ผมตัดศีรษะของบุคคลที่เป็นอาจารย์ของผมได้อย่างไร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 ไม่ใช่คนทำแต่ธรรมะในจิตใจของคนใจสิงนั้นเองเป็นคู่ทำคนเราจะจูจูมาทำเป็นคนใจสิงเอาทันทีทันใดนั้นไม่สำเร็จแน่นอกจากคนคนนั้นได้แนวทางแห่งธรรมรู้ว่าชีวิตนี้จะทำกับมันอย่างไรเพื่อรอเวลาจนกว่าร่างนี้จะแตกหนับ เราจะใช้วันเวลาไปอย่างไรหากใครรู้แจง้งถูกต้องในเรื่องนี้แล้วลงมือทำอะไรก็ได้ที่ตนถนัดหรือเท่าที่ตนเห็นว่าดีที่สุดทำไปทำไปทำไปโดยจิตใจที่รู้แจง้งแจง้งเอาเรื่องงานที่ตนลงมือทำนั่นแหละเป็นกรรมฐาน คือสิ่งที่ใช้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทาทีแรกก็ปรารพถูกต้องขึ้นก่อนว่าอุโมงค์นี้ดีแน่เพราะถ้าเสร็จแล้วผู้คนจะพลอยได้ใช้ไปตลอดกาลนา น, านพอตัดสินใจก็จับงานลงมือทำงานทำไปทำไปไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้น ทำด้วยจิตใจที่ไม่ย่อท้อเพราะไม่มีการห่วงหน้าห่วงหลังหรือคิดทวงว่าจะไปเสร็จเมื่อไรสกัดหินเข้าไปได้สะเก็ดเล็กๆชิ้นหนึ่งก็แปลว่าสำเร็จเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วงานนี้จะทำเพื่อใครในขณะนั้นก็ไม่ต้องนึกมีแต่ธรรมปิติ แช่มชื่นทุกคราวที่ค้อนตอกเหล็กสกัดแล้วหินก็บินไปทีละนิดทีละนิดไม่ต้องมีใครมารู้มาเห็นตัวเองก็อาบย้อมอยู่กับความสำเร็จทุกๆุระยะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นผู้ทาให้คนธรรมดากลายเป็นคนใจสิงทำอะไรได้ทุกวันทุกวัน ติดต่อกันถึงสามสิบปีทาได้เช่นนี้จะไม่เรียกคนอย่างนี้ว่าเขาลุถึงเซ็นแล้วได้อย่างไรความเป็นคนใจสิงกับความเป็นคนจับจดจะอยู่ในหัวใจอันเดียวกันไม่ได้แน่นอนในเรื่องนี้ออกจะชี้ชัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วว่าหัวข้อธรรมะ ที่เราใช้สอนใช้ท่องกันว่าธรรมะข้อชื่อนั้นชื่อนี้แล้วบอกเด็กว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ควรให้มีในจิตใจเช่นเมตตาบ้างกรุณาบ้างอิธิบาทสีบ้างความอดกลั้นอดทนบ้างเราเพียงแต่สอนให้ทุกคนทำให้มีอย่างนี้ มันมิใช่เป็นการชี้ให้เห็นลู่ทางให้เกิดคุณธรรมชื่อนั้นจริงๆเพียงบอกว่ามันเป็นของดีให้หาเอาไว้ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรจึงจะหามาได้สำเร็จขอ้อยากมันอยู่ตรงนี้ต่างหากฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการเล่าเรียนพร่ำสอนธรรมชนิด ให้เด็กรู้ชื่อจำชื่อไว้ก่อนนี้มันจึงเข็นกันยากเหมือนกับเข็นครกขึ้นเขาส่วนวิถีทางที่ธรรมะมันจะมีขึ้นจริงมันเดินมาอีกอย่างหนึ่งคือต้องเข็นให้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งทั้งหลายว่าที่แท้มันคืออะไรเสียก่อนประมวลให้รู้เรื่องชีวิตนี้ โลกนี้มวลมนุษย์นี้เสียก่อนจนให้รู้สึกขึ้นได้เองก่อนว่าตัวเราเองคนหนึ่งคนหนึ่งนี้ที่แท้มันจะแตกแยกไปเป็นตัวใครตัวมันไม่ได้จะเห็นแต่ส่วนตัวจริงจังไม่ได้เพราะอะไรทุกอย่างมันถึงกันเนื่องกันกระทบกระเทือนหรือได้รับผล เป็นเหมือนคนในสำเภาอลำเดียวกันเมื่อเห็นความเป็นอนัตตาอย่างอ่อนอ่อนแล้วค่อยลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นทีนั้นเองจะเกิดคุณธรรมไปทำอะไรอาการเช่นนั้นจะให้ชื่อว่าเมตตาก็ได้อาการเช่นน้นจะเรียกว่าอิทธิบาทสี่ก็ได้จะเรียกว่าขันติก็ได้ และเรียกชื่อไปได้ร้อยแปกและสำคัญอยู่ที่ในเนื้อในตัวนั้นเองมันเป็นธรรมอยู่จะดูเหลี่ยมไหนก็มีให้เรียกโชว์ให้ดูได้ทั้งนั้นเรื่องมันเลยกลายเป็นไปอย่างคล่องเหมือนกลิ้งครกให้ตกลงมาเองอยามเช่นท่านพระภิกษุศีนกายในเรื่องนี้แงหนึ่ง ที่ไม่ค่อยจะมีใครเอ่ยถึงนั่นก็คือคนเรานี้มีทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างหนึง่งแม้ตัวเองก็มักจะไม่ยอมรับว่านั่นมันเป็นทุกข์ทุกข์อันนี้ก็คือทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะทานั่นเองมนุษย์ต้องบรรจุรายการอะไรต่อมิอะไรให้แก่ตัวเองได้ทำเรื่อยไม่ให้ตัวเองได้วาง และบางครั้งถึงกับหวาดกลัวไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหากไปพักผรที่นั่นที่โน่นแล้วเราจะเหงาจะได้อาศัยทำอะไรเป็นการฆ่าเวลาหรือถ้าหากเราแก่เราเท่าแล้วเราจะใช้ชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างไรหนอเรื่องนี้ถ้าหากไม่เข้ากับตัวเองหรือใช้เหตุผลไม่ตรงต่อตัวเองก็จะมีข้อที่ทำให้แก้เกี่ยวว่า ตนไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ตนกําลังมีงานไม่มีเวลาพอเสียอีกแล้วจะมา ก, กลัวว่าไม่มีอะไรจะทำอย่างไรกันแต่แล้วขอให้ดูให้ดีเถิดงานที่เรารีบบรรจุเรียงไว้ให้เราเพื่อไม่ต้องให้ได้นี้ช่องว่างนั่นเองแหละมันเป็นสิ่งชี้ชัดแล้ว ว่าเราไม่อยากให้ตัวเองพบกับการว่างอยู่เฉยเฉยคนพวกนี้ยังต้องเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวในบางครั้งซึ่งยามนั้นก็ต้องหาอะไรมายักย้ายถ่ายเทไม่แหงเหงาต่อไปดังนั้นในโลกนี้มนุษย์จึงมีไพ่มีหมากรุกมีวิธีที่จะสับเปลี่ยนธทมเพื่อให้วันเวลาผ่านพ้นไป แก้รำคาญเพราะถ้าแก้รำคาญไม่ได้นั่นมันเป็นพิษแก่ชีวิตถึงเสียจริตนี่จะว่ามนุษย์ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนี้อย่างไรถ้าใครยังมองไม่เห็นลองหยุดทำอะไรหมดดูไม่กี่พักก็จะรู้ว่าคนที่ยังมีกิเลสทุกคนต้องอยู่ว่างไม่ได้ แม้แต่เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นที่ไม่ไปโรงเรียนมีเวลาว่างนั่นก็เพียงแต่ว่างเรียนมันยังจะต้องเที่ยวคบเพื่อนทำนั่นทำนี่เพื่อฆ่าเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่นั่นเองอย่าว่าแต่มนุษย์ทั่วทั่วไปเลยพระอริยเจ้าท่านก็ต้องมีงานไว้สำหรับทำในชีวิตเรื่องมันจึงมามีความสำคัญอยู่ที่ว่า เราจะบรรจุงานอะไรให้แก่ตัวเองงานนั้นเป็นงานที่จะเกิดประโยชน์ตนหรือเปล่าเกิดประโยชน์ผู้อื่นหรือเปล่าและเกิดทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือเปล่าและปริมาณประโยชน์นั้นจะมากน้อยสูงต่ำอย่างไรเช่นการเล่นไพ่เล่นหมากรุกฆ่าเวลานี้ไม่ให้โทษต่อใครมากก็ตาม แต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้ใช้ชีวิตไปทุกๆวินาทีระหว่างนั้นเพิ่มพูนความมีตัวตนความเห็นแก่ตัวจัดมากขึ้นมากขึ้นดังเราจะเห็นว่าพ่อแม่หลายคนปล่อยให้พวกลูกๆฆ่าเวลาภายในบ้านด้วยการเล่นไพ่เอาสตางกันเพียงนิดหน่อยจะสังเกตชัดเลยว่า บุตรหลานในบ้านจะไม่ยอมเสียเปรียบกันในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกจะมีตัวใครตัวมันมากขึ้นผลก็คือไม่ปลองดองกันได้สนิททั้งเมื่อยามพ่อแม่ยังอยู่และยามพ่อแม่หาไม่แล้วฉะนั้นงานอาดิเรกเรื่องงานที่บรรจุไม่ให้ตัวเองอยู่เฉยๆนั่นเอง คนเราก็ต้องแยกประเภทให้ดีอย่างในนิทานเรื่องนี้ภิกษุศีลกายเลือกเอาแท่นหินเป็นงานบางทีอาจจะถูกจริตของท่านที่เคยถูกหลอนด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่มีอยู่ที่ตัวหญิงเป็นเป็ น, เ, ปนเคลื่อนไหวได้ท่านเลยเปลี่ยนมาใช้หินซึ่งของไม่เคลื่อนไหวไม่มีชีวิต แล้วอยู่กับมันสามสิบปีงานชิ้นนี้เป็นเรื่องไทยถอนตัวตนไปในตัวด้วยเสร็จแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องสังคมสงเคราะห์ด้วยแต่สงเคราะห์แค่ทำให้คนมีถนนหนทางเดินไม่สูงขึ้นไปถึงกับโปรดสัตว์ให้มีดวงตาสว่างเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงมีหลักอยู่อย่างเดียวว่า จะรู้ว่างานอันใดสูงหรือควรทำกว่างานอันใดก็ให้ดูที่ว่ามันจะเพิ่มพูนความหลุดรอดการไม่เห็นแก่ตัวได้หรือเปล่าเท่านั้นดูเอาเถิดท่านทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นเพียงลีลาของชีวิตชีวิตหนึ่งเท่านั้นที่กระตือรือร้อนว่า จะไปสร้างอนาคตเอาที่ในกลุ่มจุดมุ่งที่จะสูงไปได้ก็เพียมหมายให้สูงไปทางโลกแต่หนุ่มซีนกายก็ถูกอะไรอะไรทำให้แผนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนในที่สุดก็พบกับจุดสูงสุดในชีวิตได้อีกทางหนึ่งคือทางโล ก, กุตรัก์ฉะนั้น จึงอย่าไปโทษว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเลยชีวิตนี้หากพลัดตกมาอยู่ในวัตาสงสารแล้วเหตุปัจจัยทุกอยา่างทุกตอนมันจะสอนให้ทุกเมื่อมันอยู่ที่สัตว์นั้นจะมีดวงตาหรือไม่เท่านั้นแต่ดวงตาอันนี้ขอรับรองว่าไม่ใช่ดวงดีดวงไม่ดี ตามภาษาของคนที่เชื่อหมอดูโดยแน่นอน